นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัามิตังวะเทหิอะมะพันเตพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิ ธุตยัมปีพุทธังสระนงคัจฉามิุติยัมปีธรรมังสระนงคัจฉามิธุติยัมปีสังฆังสระนงคัจฉามิตตยัมปีพุทธังสระนงคัจฉามิตตยัมปี ธรรมงสะระนังคัตชามิตติยัมปีสังขังสะระนังคัตชามิติสรณนะขมาังนิติตังอามะพันเตบัดนี้การบรรพชาเป็นสามนเญณสำเร็จลงเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปเพิดพึงสมาทานศิขาบทสิประการ ว่าตามไปดังนี้ปานาติปตาเวระมณีอตินาธานาเวระมณีอรัมมะจริยาเวระมณีมุกสาวาธาเวระมณีสุราเมีรยะ มัชฌะปะมาตธานาเวระมณีวิการภูชนาะเวรามณีนัจะคีตะวติตะวิสุขทัตนาเวรามณีมาราคันทวิเรปนธ า, ารณมันดนาวิภูสนัทนา เวรัมมนีอุจจาสยะนะมหานทยานาเวรัมมนีชาตะรูปะรัชาตาปฏิกะนาเวรัมมนีอิมานิทัศสิขาปาทานิสมาทิยามิอิมานิว่าสามจบ แล้วสามเณรกราบลงหนึ่งหุน